ทำกันต่เป็นปากเป็นเสียงแทนพระพุทธเจ้าก็เป็นแขนเป็นขาแทนพระพุทธเจ้าขอเป็นสติปัญญาแทนพระพุทธเจ้าครู อ, อาจารย์พระแม่เพรน้องที่ทำความดีมาตั้สมัยบรรพบุรุษ ทางสอนพวกเรามาเดียนตามพาามมาอ่อก่อตามครูมาหลองตากก็ไปชศตหาไปงานลำลึกคิดถึงครูอาจารย์วันที่หลังพ่าเทียนงลราภาพปวันที่ส3บสากันยายนนิดสองวันนี้ ไปรำจิตกรรมร่วมกันกับนาศิตานุสิทธิ์ที่เคยอยู่ด้วยกันมาทั้งที่เป็นนักวอดและคาว่าเจ้าโจมมาที่เัดโม่ขอเนเกล็นก็ได้ทำวิธอีอันที่เป็นรูปธรรม แม่เป็นคำสอนที่เป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือเอามาแส ด, แดงเอามากระทำให้เกิดขึ้นมันก็ยังมีอยู่เราได้สัมผัสกับคำสอนกับครวาอาจารย์สัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ยังมีอยู่ตลราจง ไม่น้อยเนื้อตามใจทำ ต, ตามพระเจ้ายังได้อยู่บรรลุธรรมไปด้วยกันกับเช่นทางเดียวกับพระพุทธเจ้าเอาถึงธรรมะได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าอยู่ทุกโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพราะยัง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 เราก็ไม่ทุกในบางพูดถึงความหลงเราเคยหลงพูดถึงความไม่หลงเราก็เคยไม่หลงนะเหมือ น, นกัน <c oughs> จึงเอามาพูดมาทำกันบ่อยๆมีู็พู ด, พดมีพูกฟังมีสถานที่ออที่ให้เกิดความสะดวกภาคปฏิบัติธรรมนี้เป็นภาค สนามในชัยภาคเดียนรู้มาฝึกหัดนี่เริ่มต้นด้วยสร้างความรู้สึกตัวเป็นลูกอรอนของกระแสแห่งพานในพานถ้ามีความรู้สึกตัว เงินเห็นเฉงเงินแสงทองขึ้นมาได้บ้างเมื่อมีความรู้สึกตัวก็มีเห็นความหลงทันทีเมื่อมีความรู้สึกตัวก็มีความรู้ทันทีขณะที่วันหลงมีความรู้สึกตัวความหลงก็ไม่มีทันทีไ ม, ไม่รีบไม่รับ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 บางทีขณะที่เราลู่ฉกตัวการเคลื่อนไหวมีโอกาสหลงมันก็หลงได้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนความหลงให้เป็นความลูก็เปลี่ยนได้จริงๆนี่คืองานของเราไม่ใช่เราฟรีไม่รู้อะไร <c oughs> ไม่ได้อะไรไม่ใช่หาคารได้การรู้ที่มันเป็นวัตถุสิ่งของมันก็หาเงินหาทองทํางานทําการ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 ยกมือรู้สึกตัวเป็นรูปเป็นแบบแบบฉบับเรื่องนี้วิธีนี้พูุทธเจ้าได้แสดงมาสอนมาตั้งแต่วันว่าสระบูชาเป็นเดือนแปดใน หลังตัดจะรู1หนึ่งเดือนสองเดือนตัดจรูเพ e ็นเดือนหกวางแผนอยู่เดือนเจ็ดวันเพลินเดือนเจ็ดจึงออกจากสรีมหาโพคือเวลาเดินทางอยู่หนึ่งเดือนมาถึงวันเพ็เดือนแปด ที่อีสิปตน ะ, ะมนลึกกทายวันจากพุทธคยามาถึงพารศจีบวงเขาเดินทางไม่มีรถนั่งเหมือนพวกเราแค่รอหนึ่งเดือนเพื่อมาสอนพิสูตกันดู ผู้ที่จะฟังเรื่องนี้ได้คือปัญจวิคีก็ามาพบปัญจวิคีก็ได้สอนปัญจวิคีแต่มันเป็นเงนแปดก็ว่ากายานัปจนาสติปฐานเป็นทางกมหลงไม่ใช่ทางเห็นกายในภาค <c oughs> ที่จดีก็มีมากเรียกว่าธรรมจักกบปวัตตสูตรอนัตตาลัคนาสูต ร, าตาลตรแล้วก็ปุอ้ยอริอรสตจีสามสามอาการที่สอนแต่จับวิชี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 มันแสดงเกิดขก้นกายแล้วมันแดงออกมาเห็นกายสภาวะกายแต่ก่อนมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในอาการด้วนก็เป็นตัวเป็นตนหนาวเป็นตัวเป็นตนสุกทุกข์เป็นตัวเป็นตนอันที่มันเกิดกับกายเอามาเป็นตัวเป็นตนหลอยพบหลอยชาติวามีสติเห็น ก็ทักท้วงขึนว่าโอ้นี่กายกันศักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเหล่าเขาเกิดอีเรื่องกี่ราวที่เกิดกับกายเห็นคําเดียวพูดเรื่องเดียวรู้เรื่องเดียวสักว่าสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเหล่าเขาจนเรื่องของกายจบไป <c oughs> ในภกชาตินี้หมดไป หมดไปจริงๆแม้บันเกิดขึ้นที่ใดก็สักแต่ว่าไม่มีพละไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเป็นปัญญาไปเสียแล้วแต่ก่ามเป็นัญหาเรื่องใหญ่ความหิวก็เป็นเรื่องใหญ่ความร้อนก็เป็นเรื่องใหญ่ความหนาวเป็นเรื่องใหญ่จนถึงใจถึงเป็นทุกข์พอเห็นสว่ากายมันก็ไม่มีเรื่องไปถึงไหนจบแค่กาย ได้ปัญญาตรงนี้อาจจะเรียกว่าสิ้นพบสิ้นชาติของกายไปเสียแล้วที่มันเป็นตัวเป็นตนในเรื่องในราต่างๆหมดไปแล้วแต่ก่อนมันไม่หมดหิวข้าวก็โกรธเป็นทุกข์ตัวเองไม่พอผ่านก็เดิน เป็นเรื่องเป็นราวยื้อแย้งกันเฉียนข่ากันเพราความหิวโลกเพราะความหิวหลงเพราะความหิวทุกข์เพราะความหิวพอมาเห็นมันก็ไม่ใช่เกิดไปมากถึงขนาดนั้นมันก็เห็นสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นพยาการของกาย ไม่ใช่เป็นเมทนาความร้อนความหนาวเป็นอาการเป็นเรื่องน้าของคุณเป็นสัญญาณภัยของกายที่มันเป็นธรรมชาติยอดเ ย, อยี่ยมมากยรงกับก็เจ็บธรรมชาติ <c oughs> อาการ <c oughs> เพื่อมันป้องกันภัยจะได้ช่วยเหลือกายถ้าไม่รู้อะไรมันก็ไม่ปลอดภัยมันจึงรู้ร้อนรู้หนาวรู้หิวรู้เจ็บรู้ปวดจบไปแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเห็นเวทนามันสุขมันทุกข์สุขทุกข์นี่ไม่ถึงกายถึงใจรวมกันพอเหตุกายเป็นเหตุนั้นก็เบาลงเวทนาก็อ่อนลงไปไม่สุขไม่ทุกข์แต่ก่อนเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์จึงเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนา พอมาเห็นเวทนาสักว่าเวทนามันก็มันก็หมดไปแล้วคำว่าเวทนาจบแค่นั้นไม่มาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มาหลงบาปโลกเพราะเวทนาเวทนาอย่างเดียวแต่ก่างไม่รู้รับใช้ข่มขืนขโมยพ้นขี้เพื่อได้เวทนา จิงงที่ไม่เกิดเวทนาเยอะแยะเกยกับตาก็มีหูก็มีจมกูกร่นกายใจรูปรสจินเฉียงเราเลี้ยงไปด้วยวัตถุอาการต่างๆเพื่อให้ใต้เวทนาติดเล่าติดจาติดปรีติดสิงเสพติดอะไรต่างๆมากมายหลับใช้เวทนาไม่รู้จักเย็ไม่รู้จกัจกพอ โอรานท่านว่าจินหอมหอมพร้อมจอกพ่อไม่มีวัตถุให้จินก็จินรูปรถจินเสียงไปก็มีก็เห็นเวทนาจักเวทนานก็จบไปสิ้นพบสิ้นชาติของเวทนาไม่หลงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะปฏิปธรรมศึกษาธรรม มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนเดิมมันพ้นภาะวะเก่าล่วงไปจากภาวะเดิมเห็นจิตที่มันคิดมีอยู่มันก็คิดเป็นเพราะมันมีรูปมีดาบมีจิตมีใจคือคนเป็นๆคือคนยังไม่ตายมี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 ปลาเทือนบางครั้งซ้อมสอนความคิดเนี่ยมเห็นมันอยู่ดีๆกันเลยจะอยู่มันคิดขึ้นมาไปแล้วออกไปแล้วปั๊บไม่รู้ออกง่ายเข้าง่าไม่รู้ทันไปเสร็จแล้วจึงได้เกิดจากความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ เป็นสุขพวนทุกปรความคิดได้เป็นจิเลสตหาพวควมคิดได้หลงมันหลอกแล้วหลอกอีกหลงในความคิดแล้วหลงในความคิดอีกพามันคิดทีใดก็รู้ทึกตัว <c oughs> <c oughs> นี่คือภาคปฏิบัติไม่ใช่ไปตามความคิดหาค้างตอบจากความคิด เวลาเราทำงานมาฐานเพื่อขัดก็ไม่ควรจะหาเรื่องมาคิดเดวลานั่ ง, งจ้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวก็ควรเะรู้เรื่องการเคลื่อนไหวนี้คือกรรมคือการกระทำเป็นที่ตั้งของการกระทำเวลาเดินจงกรมก็ดูการเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมก็มันก็คิดได้เรานั่งก็คิดได้เวลานอนก็คิดได้ แม้จะทำอะไรก็คิดนด้ชื่อว่าความคิดแล้วก็รู้วันคิดที่หนึ่งก็รู้ที่นึ่งก็มารู้เปลี่ยนตัวคิดก็มาเป็นตัวรู้สัมแล้วสัมเบกเปลี่ยนแล้วเป็นอีกเห็นบ่อยๆของที่เห็นนั้นเก่าบ่อยๆวันเราเห็นหน้ากันเห็นกันบ่อยๆก็จํากันได้ ได้ยินเสียงพูดบ่อยๆก็ช้ำเสียงกันได้ยิงคบกันนานๆก็รู้จักนี่ใจใจคอถ้าเป็นคนอื่นอันที่มันอยู่ในเราเนี้ยมีบัณฑิตมีคนผา น, น, ผานก็เหลีกเลี่ยงคบกันผานในคบบัณฑิตบัณฑิตคือตัวรู้คนผานคือตัวหลง ความโกรธความทุกข์เป็นคนผ่านตัวไม่โกรธไม่ทุกข์เป็นบัณฑิตสัมผัส ด, ดูไม่มีคำถามตอบเอาใครเอาเราน้องอยู่เฉยๆมันชิดไปกลับมารู้ไม่ใช่ไปตามกวามิดเข้าไปอยู่ในความชิดนี่คือภาคสนามลูกหลบเป็นปีกลูกเด็กเป็นหางเพืหขัดตัวเอง ความหลงแท้กลายเป็นความรู้ความทุกข์กายเป็นความรู้ความสุขกลายเป็นความรู้กเลสตันหาหลักะปัดห้ารอยแปดเป็นความรู้ได้ทั้งหมดทว่าเปลี่ยนรลายเป็นดีทว่าภาคปฏิบัติภากผึกขัดอะไรเอาเป็นดีม <c oughs> าผิดให้เป็นถูกไปเลยสภาพที่รู้จักตัวเนี่ยกลายเป็น ศักดิ์สิทธนั้นขี้ตายที่เป็นได้นี่เป็นการกระทําของตัวใครตัวเราก็ไม่หัดก็ไม่เป็นจึงมาประหันไม่ใชะเยืนให้แจกให้ได้จึงมีสถานที่แบบนี้มีการกระทําแบบนี้มีรูปแบบแบบนี้เป็นหลักสูตร อยู่ในชีวิตเราทุกคนอันเดียวกันทุกคนจะเป็นชาติใดพาสอะไรรูปใดวนะใดเพศใด ใ, ใบใดไม่เกี่ยวไม่ต้องออกมาอ้างความรู้ทึกตัวไม่มีเพศไม่มีัยไม่มีอาการเวลาเป็นความรู้ของผู้รู้ใครรู้ก็เป็นของรู้ผูนั้นใครไม่รู้ก็เป็นไม่ใช่ของคนนั้น เราจึงฝึงหดัดเห็นจิตแล้วเรามาคิดเห็นมันรู้มันจนเห็นได้ว่าจิตสวัสดิตนะนะไม่ใชสัต์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ก่อนเราก็ไปตามจิตความคิดเลยถือว่าใช้หันหมดเลยมันคิดจะหัวเอก็หัวเราะมันคิดจะร้องไห้ก็ร้องไห้มันคิดจะโกรธก็โกรธค่ดจะทํำอะไรก็สแสดงได้ หนาบูดหน้าเบื่อกับหมัดกันฝันจับตาตาวุ่นไ้ฆ่ากันได้ด่ากันได้ก็จากความคิดความคิดที่ไม่ได้เจตนา <c oughs> ก็เกิดความหลงผความคิด <c oughs> ไปไกลความคิดอย่างเดียว <c oughs> อ็รู้จึกตัวก็ชื่อหน้าเลยจิตสวัสดิ์จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสิ้นภพสิ้นชาติ อันภกนี่ได้กระแสภายในพานย่อมเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ใช่จะไปบ้านใดเมืองใดจนเห็นธรรมสักว่าธรมธรมตามเป็นกุศลหรอกุศลมีอยู่ความโ ง, คง่ความฉลาดมีความงของหอหนอนความลังเลสสงสัยความคิดฟุ้งซ่านเป็นขวงกัน เป็นอาธรรมเป็นธรรมมืดธรรมดำควมรู้สึกตัวเป็นธรรมขาวมีสินมีสมาธิปัญญาความไม่ดีตรงละความดีทำต่อไปเรื่ว่าละความชั่ว มาเกิดเมือ่อใดเกิดเกิดขึ้นเมือ่อใดเปลี่ยนกองไม่ดีเป็นดีทำดีต่อไปรู้ต่อไปไมาใช่ความไม่ดีเกิดขึ้นหมดกำลังใจไม่ใช่เมื่อมีความไม่ดีเกิดขึ้นรู้รู้จึกตัวทำความรู้เรื่อยไปหลักเราก็มีอยู่กบมาเคลื่อนไหวเรื่อยไปถ้าเดินยะกรมก็เดินยะกรมเรื่อยไป เรา่ช้หยุดไม่ได้เลยเลยจนเข้าไปเป็นกับมันนั่งน่าเงา่าน่างอห น, น, น้าบูดหน้าเบิง้งถึงเครียดตาซึมตาซื้อไป ถ, ถามดูเป็นไงหนูแ ย, นย่ไม่เป็ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยทำไมละ่ะมันเทียดมันชิดมากง่วงกองง่วง เมื่อมันเครียดก็เครียดเมื่อมันคิดก็ไปอยู่ในความคิดเมื่อมันง่วงก็ก็อยู่ในความง่วงหลวงพ่อไม่ได้สอนแบบนั้นหลวงพ่อสอนใหนนเนนเนนเ้เห็นมันเป็นคนง่วงเป็นคนเครียดหรือเห็นมันเครียดมันคิดนีเป็นผู้คิ ด, ดเห็นมันคิดตลว ง, งตาสอนอย่างนี้ ตัวเจ้าสอนอย่างนี้อยู่ในรักษณะนี้นานเท่าไหร่ทั้งวันเลยวันนี้หลงก็เบื่อน่างเห็นบันลึตเป็นไปกับมันวันนี้หนูเครียดมากใช่ไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิบัติมนเน่งว่า ม, มากใช่ไม่ได้ เราจะพูดออกมาสักคำก็วันนี้หนูเห็นมันเครียดหนูเห็นมันคิดนั่นจึงเรียกว่าผึกหัดไม่ใช่ไปเป็นกับมันเห็นมันถ้าเห็นมันก็อิสระถ้าเป็นมันก็เป็นทาตของมันเรื่อยไปต่ําไปเรื่อยๆความดีหมดไปเรื่อยๆถ้าเห็นความดีเกิดขึ้น จนเห็นธรรมจากว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาสี่ภพสี่ชาตินี่ยหมดไปเลยชิ้นพบชิ้นชาติไม่มีเรียกว่านิพานตรงนี้ได้เวทนานิพานไปแล้วกายปฏิปานไปแล้วเป็นตะ ก, กายต้นล้วนใช้ให้เป็นประโยชน์กายสว่างกายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาหมดไปแล้ว อ่อนที่เป็นภพเป็นชาติในกายหดไปแล้วสิ้นภพสิ้นชาติตรงนี้ได้กระแสแห่งภายนพานพิธนาซึ้นภพชิ้นชาติสุขทุกข์กที่จะเกิดจากสุขทุกข์กมาเป็นตัวเป็นตนสิ้นภพชิ้นชาติมีแต่ภาวะที่ลู้เข้าไปภพชาติในจิตคิดอะไรเป็นภพเป็นชาติบางทีเกิดจากภพชาติเกิดจากความคิด มากายเป็นเปดก็มีเป็นอจุลกายก็มีเป็นจรลกก็มีคิดก็มาแล้วนอนไม่หลับทุกข์น้าตาไหลเพราะความคิดตัวเองโกรธเพราะคคิดตัวเองรับใช้มันเป็นพบเป็นชาติเป็นพบภูมินับไม่ถ้วนเกิดดับเกิดจบเนี่ย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 เพิมรู้ใช่ไม่ได้ทำให้มันเป็นการทำให้เป็นเนี่ยไม่ใช่ไปใช้สมองเป็นการฝึกขัดเราคอบชอบใช้สมองอะไรก็หาคำตอบจากความคิดไม่ใช่ไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดเกิดจากกรารกรรกรรมเป็นสิ่งที่จำแนกไม่ใช่เกิดจากความคิด ความคิดที่ว่าปัญญาอันนึ่งเป็นกิจกินแต่มยปัญญาใครก็รู้รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ยังโกรธอยู่รู้ว่าทุกข์ไม่ดีแต่ยังทุกข์อยู่เป็นกินแต่มายปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดมีทั่วไปในโลกต้องเป็นภาวนามายาปัญญาปัญญาเกิดจากการเปลียนร้ายเป็นดีจนชำนิชำนาญ ยอดเยี่ยมกว่าสูตรต่อไมจปัญญาเกิดจากการศึกษาอ่านเรียนรู้อะไรมากมายจบมาเป็นศาสตร์นั่นก็เป็นสูตรต่อที่การศึกษาโต้ตอบกับใครจาได้ไม่ใช่พบเห็นคิดได้จําได้ไม่ใช่รู้จําแบบนั้นเป็นการรู้แจ้งศาสชาธรรมเป็นการรู้แจ้ง ตรงเนี้่ยอันนี้เรียกว่าตัวไขตัวมันไม่ใช่ของแบ่งปันถ้าเกิดความหลงตองละให้เป็นความรู้หลงที่ใด ร, รู้ทุกที่ใด ร, รู้เข้าไปเลยเป็นทุกข์กความเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเป็นความทุกข์กลายเป็นมัญจาความทุกข์กลายเป็นนิพพานได้ ถ้า <c oughs> จริงจริงก็ถึงป่านนั่นอกแต่ก่อนความทุกข์เป็นความทุกข์ฝึกไปฝึกไปความทุกข์เป็นนิพพานแล้วเลยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ามไม่เที่ยงเป็นนิพพานได้เลยก็ ม, มีตัวมีตนเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนิพพานไปเลย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 นิพพานอยู่ในเริ่มดุลายหมดพิษหมดสงฆ่างพยศดุสลายคนตายช่างหมดพยศกี่โคมันได้ม่าพยศใช้เข้ารถม่าเทียมรถไปได้มา่มาหมดพยศ์ม่าหมดพยศแต่ว่าม่านิพพานแล้ว ใช้งานได้คนนิพพานคือคนไม่ตายหมดพิษหมดภยัยแก่ตัวเองและคนอื่นปัญหาเรื่องกายเป็นทุกปัญหาเรื่องเวทนาเป็นทุกปัญหาเรื่องคิตชื่นคิดเป็นทุกปัญหาเรื่องอารมณ์เป็นทุกไม่มีมันก็เย็นไปมากมายแล้วทำไมจะเรียกว่ากระเสไปเห็นลูกเห็นนามเข้ายิ่งเครี้ยงไปเลย ไม่ต้องเรียกว่าสุขวะทุกเรียกว่าอาการเลยเลยสรุปลงมาได้เลยนั่นเป็นสูตรไปอย่างเนี้ยทุเจ้าเทศสนปัญจวัคคีย์อย่างเนีน้ทางอันที่ควรสุดตรงทางตนางานันทางผ่านเหมือนผ่านเหมือนตันตรงไหนเหมืนผ่นานได้ไหมวามหลงตันแล้ว รวมรู้ผ่านไปเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลง่วมทุกมันตันไว้่วรู้สึกตัวเห็นมันทุกไม่ใช่เป็นผู้ทุกผ่านไปแล้วอันใดที่มันตันไม่ควรเจ็บอันใดที่มันสุดโต่งไม่ถึงที่หมายควรไม่ควรเจ็บอันใดที่มันเป็นลางถึงจุดหมายปลายทางนั่นเป็นควรเจ็บ ผู้ใดไปเศษความหลงความทุกข์ความโกรไม่ใช่ผมไม่จันเป็นธรรมอันต่ําเป็นธรรมเป็นหิน้าธรรมเป็นธรรมต่ำสามบันปลายิดคือผู้ที่เห็นภัยไม่ควรเสกทุกคนเป็นบันปลาิดเห็นภัยความหลงเป็นภัยความโกรธเป็นภัยความทุกข์เป็นภัย ก็ไม่โกรธก็ไม่โลภก็ไม่ทุกข์ไม่มีภัยผู้ไม่มีภยัภยเรียกว่าอาริยะน้อยๆไยปผู้มีภัยเรียกว่าปุถุผู้หนาในแต่พิษภยัยถ้าเราเบียดเบียนตัวเองได้ก็เบียดเบียนคนอื่นได้ถ้าเราไม่รู้จักสงสารตัวเองไม่รู้จักช่วยตัวเองก็ช่วยคนอื่นไม่ค่อยปีไม่ค่อยเป็น น่าสงสารที่สุดคือลูกคือน้ำไม่รู้จักช่วยลูกไม่รู้จักช่วยน้ำเลยต่ อ, อยทิ้งไปเลยลูกเบียดเบียนน้ำน้ำเบียดเบียนลูกบอกมาจุจ่าแล้วนี่โอ้ยน้ำตาไหลอน้ำตาไหลสงสารลูกสงสารนา้ำก็ตือเหลือลน้นอันชื่อว่าทุกข์นี่กรตือรือร้นมาก เหมือนไฟตกใส่ขารีบปัดต อ, อทาทันทีอันที่ว่าทุก <c oughs> คนเราผู้ผูกขัดตัวเองมาหวานกันบางทีบางคนไม่ค่อยผูกขัดตรงไหนแล้าทุกข์ก็ยิ่งดีเอามาคิดไม่รู้จักลืมไม่รู้จักลืมบางคนึกกพูดว่าเจ้ากูได้โกรธเราตายก็ไม่ลืม เอาแต่เริ่มนั่นหมายคิดกลางคืนก็ออกมาคิดจันนอนไม่หลับมันบ้าไม่รู้จักช่วยตัวเองถ้าไม่รู้จักช่วยตัวเองมันจะอยู่ได้อย่งไรเราจะพึ่งบ้าจะกันได้อย่างไรเราไม่อารมณ์เป็นใหญ่คมไล่ข่มดีผููฟูแพร่แพร่ความรักกลายเป็นความเจลียดชางฆ่ากันเพราะความรักก็มี แต่เล่าสําคีเราอยู่ๆกันยังไงเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเกี่ยวกับกาก่กับใจเกี่ยวกับรูปรถฉินเฉียงมันก็มีอยู่ในตัวเรานี่ยไอสิ่งเหล่านั้นหลยคิดชีวิตเราเลยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกทั่วๆไปถ้าเรามาลู้เรื่องนี้มันก็จบอันเดียวเท่านั้นไม่ใช่ไปห้ามคนเด็ดเราห้ามตัวเรา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 มีคำว่าจะโจมมีคนหลงมีคนรู้คนหนึ่งรู้คนหนึ่งก็หลงก็มีแล้ก็งงความหลงเป็นคนอันเดียวกันไปเลยบางทีเราก็เกี่ยวห้องด้วยกันไปมาหาสู่เดินไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันบางคนก็ชวนให้หลงบางคนก็ชวนให้รู้ บางคนเขาชวนให้หลงกลายเป็นความรู้บางคนก็ชวนให้หลงกลายเป็นความหลงมีเหมือนกันครบหูวแร้งเป็นแร้งครบหัวกาเป็นกาบางคนมีปัญญาเราจึงพยายามรู้เรื่องนี้ให้ดีๆ <c oughs> ไปที่เกิดไม่ได้ในโลกนี้ มันเป็นโลกกระทำมีสเนเสริญมีเนินทามีสุขมีทุกข์ม่ได้มีเสียอันนั่นเป็นสิ่งที่เหนือชีวิตเราแต่ถ้าผู้ที่ฝึกตนเดแล้วเหนือจิตเราได้แต่อยู่เหนือโลกกระทำทับถมไม่ได้ถ้าผู้ไม่ฝึกแล้วกต่ำเมื่อเนินทาก็เป็นทุกข์เมืมเ่อสนเสริญเป็นสุขโลดต่ำ ถ้าเราฝึกมโหสูงมนุษย์ใจสูงเห็นไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นที่จะเห็นเมื่อเป็นมนุษย์เป็นมกักเป็นผลเป็นพระได้มนุษย์โสปฏิลาโภกระเตือนเป็นมนุษย์เป็นลาภเป็นบะเสดต้องใจสูงสูง เห็นมันจะไปเป็นอะไรกับอะไรง่ายเกินไปต้องมาฝึกเนี่ยทำไงเราจึงจรู้จึกตัวเรามีจิติลยเบอเฉยอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องกิ้นเรื่องอะไรต่างๆคนเด่นทำให้เราแล้วที่หลับที่นอนไปหาได้ไปบอกเราเตรียมไวใ้ให้เก็บแค่ได้ป่วยบอกเรามีรถพาไปหาหมอ ตามสิปัญญาของเราก็ช่วยกันได้ <c oughs> แต่ต้องรู้จักตัวเองรู้จักกินจักใช้ชีวิตให้ดีๆทุกวันนี้ไม่เหมือนเก่าอย่างคำขวนของรัฐบาลกินล้อนช่อนกลางล่างมือต้องเช่งขัดตาประมาทตาบมาไม่ได้ มีแต่โทษแต่ภัยมีแต่พิษภัยในแผ่นดินก็มีพิษในอากาศก็มีพิษในาน้าก็มีพิษต่อไปจะหาที่เดินไม่ได้ในแผ่นดินนี้หาอากาศหายใจไม่ได้เอาขาจุ่มน้าลงไปก็เกิดโรคแล้วฝีมือของใครฝีมือของคนหลงฝีมือของคนไม่ใช่มนุษย์ มรุษต้องรับผิดชอบอย่าทิ้งอะไรเกินกาดอย่ามักง่ายใชชีวิตให้แม่นยำชัดเจนอย่ามั่วซั่วคิดจึงใดพูดจึงใดมีสติสัมสชัญญาให้รอบคอบถ้าไม่มีใครบอกมันจะอยู่กย่างไไม่มีการกระทำจเกิดอะไรขึ้น เราต้องงมงเสาวๆกันอยู่นี่ช่วยกันอยู่นี่เต้าตัวรอดก็ดีล่ะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งอยู่นี่ไม่ต้องมาพูดอะไอยู่ที่ไหนก็ได้จะบอกจีนเนี่ยไม่มากขอใครจินก็ได้แต่เราไมยไม่ใช่อย่างอะไรบ้าต้องมาบอกว่าสอนมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรอยู่ด้วยกัน สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันหิวก็หิวด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันอาหารอย่างเดียวที่นี่อาหารจากกองทานไม่ใช่อาหารจากรีไซกเคิลหรือมีรีไซกเคิลไหม ย, <laughs> ยกออกจากหม้อไปตั้งให้กินร้อนๆแต่ต้องไวชักงหน่อย อย่าเฉยชายพระตา ก, ก่างก็รีบๆสักหน่อยเพื่อให้มันถัดเวลาอย่าเฉยชาตักไปไว้เร็วดีๆเอาให้อิม่มอย่าให้เหลือ <c oughs> หาัดไหม <c oughs> เหลือไหมเหลือไปให้ไก่เรอให้กระลอกเลยไม่ไป <c oughs> ให้ปลา ไม่จำเป็นก็อย่าให้แต่แชีงพวกข้าวก็ไม่เป็นไรอย่าให้มากเกินไปถ้าเป็นขนมไม่อาหารมีน่าแจงโปดจะเอามาให้ปลากินถ้าเป็นก้อเข้าวนิดหน่อยไม่เศษไม่มีซากปลามาคืนหมดบางทีก็น่าให้นะปลานะมันอ้าปากรอไว้ถึงเวลา เห็นไหมเดินไปสะพานนะมันทำเป็นตัวงอๆปากตาดุเอ๋ไอ้นี่มันก็ทุ้เวลานะโยนข้าวมันก็ข้าเปล่าไม่เหลือใครหัดมันไม่รู้นะเป็นสำเนตจทาาตื่นร้อนนะสำเนิจภากตื่นร้อนมาอยู่ก็ให้อาหารมันเพราะเราก็ไม่จำเป็นนะ เศษอาหารอย่าไปเทลงน้ำถ้าปนก้อนข้าวนิดหน่อยไม่เป็นไรอยากกินเบลือมหาเผือกไก่กันไป <c oughs> เห็นเอาแพ้ไก่เป็นฝุ่งๆแถวนี้ให้มันพอดีบ้างนะปะนี้ก้องขวนเจียวลาสราบพระองคบ